ห้าคำ่ำเป็นวันอุโบสถพระจะได้ไปอุโบสถที่ดอยมเกียงก็จะได้เทศสัตว์เล็กน้อยในวันนี้หรือว่าเป็นการเทศ ความเป็นพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องราวของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นระบบระเบียบแห่งความสงบเรียบร้อยความสงบเรียบร้อยเป็นสิ่งที่สังคมมนุษย์จะต้องมีเพราะมนุษย์เมื่อมาอยู่ร่วมกันมากๆจะมีแต่ความรุ่นแายมีอารมณ์กระทบจิตใจมีเรื่องราวบางเรื่องราวที่เป็นปัญหาภายในจิตที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วมนุษย์ก็ อยู่ในบางบนแห่งอารมณ์และความรู้สึกในภายในที่เป็นความทุกข์ความเป็นพระพศาสนาที่เป็นเรื่องความสงบความเรียบร้อยก็เป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมจึงมีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มนุษย์ที่ขาดศาสนาก็คือมนุษย์ที่ขาดความสงบภายในจิตใจจิตใจมีแต่ความวุ่นวายไี่มีความสงบเรียบร้อย จิตใจก็อยู่แต่กับอารมณ์หรความเศร้าหมองความเศร้าหมองมันเกิดขึ้นกับจิตได้เกือบจะทุกทุกขณะหากมีจิตที่ขาดสติหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตตามความจริงวัยแห่งชีวิตของการดำเนินและความเป็นไปของมนุษย์มีแต่ละวัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติเรื่องราวทางศาสนาพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าบุคคลผู้มีความประมาทในประถมวัยความประมาทของบุคคลผู้นั้นจะทำให้เขาไม่สำเร็จในการงานที่จะกระทำคือไม่นำมาซึ่งความเป็นอยู่และความเป็นไปของชีวิตในด้านของภพกษัพริย์ เขาจะสูญเสียความสุขภายในชีวิตในเบื้องต้นเพราะเขาจะไม่ได้รับประโยชน์หมายถึงว่าคนที่อยู่ในปฐมวัยนั้นจะต้องทำการศึกษาหาความรู้เพื่อนำความรู้นั้นไปประกอบประกอบอาชีพเพื่อดำร ง, ง, งตนอยู่ได้ในใ น, ในชีวิตหรือว่าในสังคมความเป็นอยู่และว็ทรงเปรียบเทียบกับการประพฤติธรรมว่าบุคคลผู้ประมาทในปฐมวัย ไม่ประพฤติทำในปฐมวัยเขาจะเป็นผู้ไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ในขณะที่เขาเป็นอยู่ในชีวิตที่เขาเป็นไปนั้นได้ความประมาทในปฐมวัยนั้นจะทําให้เขาพลาดโอกาสในการที่จะสแสวงหาความสงบสุขภายใน จ, ใจิตใจจิตใจก็จะอยู่กับความวุ่นวายและความไม่สงบ จิตที่อยู่พร้อมคุ้นไวและพร้อมไม่สงบเป็นจิตที่ไม่มีคุณนภาษ์เป็นจิตที่หาหลักยึดหลักพึ่งภายในตัวเองไม่ได้หากบุคคลใดก็ตามเคยประมาทในปฐมวัยมาแล้วแต่ไม่ประมาทในมัชชิมวัยคือวัยในกลางคนสามารถยึดถือการงานอย่างใดอย่างหนึ่งไว้เป็นที่ตั้งในการประกอบอาชีพเลี้ยงชีพ หากเขาเป็นผู้ไม่ประมาทเขาก็สามารถที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านโภคทรัพย์ให้กับชีวิตได้แต่หากเป็นผู้ประมาทในมนชิบะใหคือในใบกลางคนเขาก็จะไม่สามารถสร้างชีวิตให้เป็นไปได้เลยในใ น, ในความเป็นอยู่ของชีวิตโค้ง ก, ก็เปรียบเทียบกับบุคคลผู้ประพฤติทธรรมเหมือนกันหากไม่ประพฤติหากประมาทในปฐมวัยแล้วไม่ได้ประพฤติทธรรมในปฐมวัยแล้วก็ มาประมาทในช่วงมัชฌิมาไยคือไม่ปพอพืชทำในช่วงมัชฌิมวัยคือช่วงกลางคนความประมาทนี่เองก็จะทําให้เขาไม่ได้รับความสมบูรณ์ไม่ได้รับประโยชน์ทางศาสนาที่ควรจะได้รับและหากประมาทในมัชฌิมวัยในวัยสุดท้ายชีวิตเขาก็เป็นโมหะคือไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยแม้แต่ทางโลกหรือทางธรรมความประมาทจึงเป็นสิ่งที่อันตรายมากสําหรับชีวิตพระองค์จึงทรง ส, สอนเรื่องความไม่ประมาทไว้เป็นหลักใหญ่เขาเรียกว่าในบนรรดาทำทั้งปวงที่พงษทรงสอนรวมลงอยู่ในความไม่ประมาทของชีวิตยอย่างไรก็ชื่อว่าไม่ประมาทความไม่ประมาทจะทําให้เราสามารถยึดถือเอาสาระแห่งธรรมสาระแห่งความเป็นจริงหรือว่าประโยชน์แห่งความเป็นอยู่ของชีวิตหาเราจะมองประโยชน์ด้านความเป็นอยู่ของชาวโลกก็คือการงานที่ทํา อาชีพที่ทําจดถานบรรดาศาัก์เข้าของเงินทองเครื่องใช้สอยเครื่องวอโคทรัพย์สินสมบัติต่างๆเราสแสวงหามาอันนี้คือประโยชน์ในการใช้ชีวิตในความเป็นทางโลกในทางธรรมสารประโยชน์ก็คือการดับทุกข์ให้กับกจิตใจตัวเองแล้วก็สร้างความสงบขึ้นเป็นความสงบสันตินตนภายในตัวเองเป็นความสงบภายในลึกไม่มีเหตุปใจใัจจัยใดเลยที่อยู่ในโลกนี้จะทําให้จิตของเราเป็นทุกข์ได้ในสิ่ง ที่เราเกี่ยวข้องและสัมผัสเพราะเรารู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆในจิตในใจของเราได้แล้วอันนี้คือความไม่ประมาทหากเป็นผู้ประมาทไปแล้วเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากศาสนาประมาทมีความหมายว่าเลนเล่อหรือขาดสติหรือเป็นผู้ไม่มีสตินั่นเองละะอักษณะแห่งความเป็นผู้ไม่มีสติก็คือไม่สามารถระลึกรู้ภายในตนเองว่าตนเองกําลัง เป็นอะไรอยากตัวเราตอนนี้เราเป็นอะไรและจิตใจเราเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็บอกว่าเราเราก็เป็นคนนี่เนี่ยมนุษย์เราแล้วคุณค่ายังความเป็นมนุษย์เรารู้ไม่ว่ามนุษย์มีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเราถึงจะเป็นมนุษย์ได้เราเรียนรู้อย่างอื่นแต่เราไม่เคยเรียนรู้ความเป็นเป็นอยู่ของมนุษย์ว่ามนุษย์มันจะเป็นอยู่อย่างไรมนุษย์มักจะใช้ตั้หาหรือความอยากเพื่อแสวงหาสิ่งต่างมาให้ตอบสนองตามความต้องการที่ตัวเองต้องการ โดยที่มนุษย์ไม่ได้เรียนรู้และศึกษาในตัวตนของตนเองในความหมายที่พระเจ้าทรงตรัสสอนหลักธรรมไม่ใช่ว่าห้ามมนุษย์ไม่ให้มีความอยากหรือไม่ให้ใช้ความอยากอย่างนั้นไม่ใช่รนะมนุษย์มีมความอยากอยู่แล้วเราสามารถใช้ความอยากได้แต่เราจะใช้ความอยากยังไงไม่ให้มันขาดสติทำยังไงถึงจะไม่ประมาทในชีวิตพระเจ้าจึงวางหลักธรรมคือสติธรรมตัวเนี้ยสติธรรมจะทําให้เรารู้จักการใช้ชีวิตให้ตรงกับความเป็นจริงของชีวิต ชีวิตเรามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรหมายถึงว่ามนุษย์เราน่ยเป็นไปเป็นมาอย่างไรถึงได้มาเป็นมนุษย์หากเรามองตามหลักศาสนาเราก็รู้ว่าเป็นผู้มีทำบุญในฟังก่อนถึงจะได้เป็นมนุษย์นี่คือหลักศาสนาอยู่แล้วมีมีบุญถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีบุญไม่เป็นมนุษย์หรอกเป็นสัตว์เน้ำช้างเป็ดพี่ปีศาจสุรกายหาบุญมากกว่าเกินกว่าความเป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาหรือพระอันนั้นคือเรื่องราวทางศาสนาแต่เรื่องราวทางศาสนา เป็นเรื่องราอยู่ในระบบของความเชื่อแล้วระบบของความเชื่อเนี่ยคนที่เชื่อก็จะเข้าใจคนที่ไม่เชื่อเราจะทำํำ ใ, ใ, ให้เกิดความเข้าใจได้อย่างไรความเข้าใจหรือความไม่เข้าใจบางครั้งเนี่ยมันจะต้องใช้ใช้หลักของการที่เรียกว่ายอมรับฟังไว้ก่อนจริงหรือไม่จริงอย่างเช่นทุกโฮมสโงบอกว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงหรือเปล่านั้นในบุคคลที่เชื่อเขาก็สามารถ เอาความเชื่อที่เชื่อว่านรกและสวรรค์มีจริงนั้นมาทำประโยชน์ในขณะที่เป็นมนุษย์เช่นทาบาปแล้วไปตกนรกทําดีแล้วขึ้นสวรรค์ก็จะรู้จักว่าอ๋อทำดีแล้วขึ้นสวนรรค์ก็เลือกทาดีอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าเลือกเอาประโยชน์จากการเชื่อนั้นมาใช้ในขณะที่เป็นอยู่ในชีวิตมนุษย์ทีนี้ในบุคคลที่ไม่เชื่อโพองให้หลักการคิดไว้อยู่4ประการ4ประการนั้นโพงบอกอ่ะ หากนรกไม่มีจริงบุคคลผู้พืชดีก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรนอกจากจะไม่ได้รับความเสียหายแล้วการพืดดีของเขานะั้นยังได้รับคำสรรเสริญจากนัปกปราบหรือว่าท่านผู้รู้ในโลกนี้ได้รับการสรรเสริญใครๆก็สรรเสริญ่อคนที่เป็นคนดีนรกสวรรค์ไม่มีจริงก็ตามหาบุคคลได้ทาบุคคลได้ก็ตทมทาสิ่งที่ดีหรือทาความชั่ว เขก็ต้องได้รับการตำหนิดีเตียนจากบุคคลหรือผู้คนที่อยู่ในโลกนั่นคือพ่อที่ได้ไดไดไดไดบังเกิดขึ้นแล้วหรือว่าคนที่บังเกิดประจากชาตแล้วไม่เกี่ยวกับว่าจะมีนรกหรือไม่มีนรกมีสวรรค์หรือไม่มีสวรรค์แต่ถ้าหากว่าสวรรค์มีจริงหรือนรกมีจริงคนที่ทําดีนอกจากจะได้รับการสรรเส ร, ริญในโลกนี้แล้วว่าเป็นคนดีเมื่อละชีวิตไปแล้วยังมีสุขคติภูมิที่ดีในโลกหน้าคือได้ไปสู่สวรรค์หากนารกสวรรค์มีจริง คนที่ทำชั่วนอกจากจะได้รับความเดือดร้อนในปัจจุบันในขณะที่ทำและได้รับการตําหนิถูกจองจําถูกลงโทษยังไม่พอละชีวิตไปแล้วยังไปสู่อาบอายภูมิตกต่าไปกระนี้นั่นคือพื้นฐานแห่งการตั้งจิตที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่พวงไม่ได้บอกว่าให้เชื่อการเชื่อโดยขาดการพิสูจน์หรือขาดการไต่ตองเป็นความเชื่อที่เป็นไปในความงมายพองยังบอกว่าการขบคิด ให้ควรให้ถูกต้องกับเหตุปัจจัยจะช่วยให้เรามีเหตุผลในการตัดสินใจที่เชื่อหรือไม่เชื่อได้เพราะฉะนั้นในความหมายของเป็นเป็นจริงของชีวิตถ้าเรามองในกายสภาพหรือว่าการกาเนิดเราก็บอกว่าเราจะมามาจากบิดามารดาทีนี้หากย้อนกลับไปว่าบิดามารดามาจากไหนก็มาจากปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายมาจากไหนก็มาจากบรรพบุรุษของท่านแล้วบรรพบุรุษมาจากไหนย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไป มันจึงก็ต้องพูดถึงการกำเนิดเริ่มแรกทาวิทยาศาสตร์เราบอกว่าเราวิวัฒนาการมาจากจากอะไรลิงนั่นคือวิทยาศาสตร์ทําไมเขามองอย่างนั้น น, นั้นนนั้คือสิ่งที่เขาพิสูจน์เท่านั้นโดยหลักของตักการคือคิดว่าหรือคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือควรจะเป็นอย่างนี้นั่นคือเขาพยายามสร้างที่มาที่ไปของมนุษย์มาจากลิง วิวัฒนาการแต่พระเจ้าพวกเปสัพพันธ์อยู่พวกมีความเห็นต่างจากเบี้ัสายพวกบอกว่าเดิมทีมนุษย์ไม่มีหรอกเพราะความเป็นมนุษย์ไม่ได้มีอยู่มาก่อนมาแต่ไหนแต่ไรนะไม่ได้ไม่ไม่มีความเป็นตั้งเดิมและเมื่อเดิมทีไม่มีมนุษย์นั่นเองสัตว์ประหลานก็ต้องไม่มีหมายถึงว่าในพวกจักรวาลยมันเป็นแค่สภาพที่เบื้องบางบางฝังไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งมีชีวิต ไม่มีอะไรทั้งสิ้นจนก่อจนต่อเมื่อมีโลกนี้ปรากฏการรวมตัวกันขึ้นมานะดวงจิตที่ล่องลอยอยู่กลางห้วงอวากาศดวงจิตก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะเป็นเพียงแค่สภาพจิตนะอันหนึ่งเป็นดวงจิตที่ถูกปรุงแต่งไปด้วยนะอํานาจของเจตสิเกเจตสิกลุ่ภาษาทางธรรมะอาจจะฟังยากหน่อยเขาเรียกว่าสิ่งที่ปรุงแต่งจิตนั่นเองสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้ดํารงอยู่ในห้วงอวากาศกจิตนั้นมีรัศมี ภายในตนเองกินปีติเป็นอาหารล่องลอยไปในการห่วงอวกาศปัถนะจะไปที่แห่งใดก็สามารถไปได้โดยไม่ลำบากหมายถึงว่าคิดจะไปปรากฏ ต, ตรงนั้นตรงนี้ก็ผุดปรากฏขึ้นพุ่พับพุพับพุ พ, บ พ, พ, บ พ, พับขึ้นทันทีเลยจนต่อเมื่อก้อนโลกนี้ถูกรวมตัวกันเป็นก้อนโลกขึ้นมาดวงจิตนี้ปัถนะจะมาชมว่าก้อนก้อนโลกที่โผล่ขึ้นมาในกลางห้วงจักรวาลนี้คืออะไร เลยนึกถึงพอนึกถึง ป, ปั๊บก็จิตก็วางเจติขึ้นในก้อนโลกนี้จึงเกิดมีมนุษย์เริ่มแรกขึ้นมาเรียกว่ามนุษย์ต้นกลับคือต้นกําเนิดของมนุษย์ทั้งพวงมนุษย์อันนี้จึชื่อว่าเป็นอบปติกิมนุษย์ต้นกลับเป็เรียกว่ามนุษย์อบปติกิิคือผุดเกิดขึ้นไม่มีใครสร้างไม่มีพระเจ้าองค์ไหนสร้างแต่เป็นการผุดเกิดขึ้นของดวงจิตที่ใครอยากจะรู้ว่าไอ้ก้อนก้อน กมๆเนี่ยที่มันรวมกันดินน้ำไฟลมที่มันรวมกันเป็นก้อนกลมคือกลางห้วงจักรวาล น, นซึ่งไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนในระยะเวลา ย, ยืดยาวนานเนี่ยก้อนกลม น, น, นี่คืออะไรแล้วก็ตา ม, มาอะไรอธิฐฐการฐานท่านก็อธิบายบอกว่ากลิ่นของดินก็เลยเหมืดินกลิ่นของดินที่ฟุ้งไปกลางห่วงอาอากาศกลิ่นมันตลบอบวนไปหมดเลยดวงจิตได้รับทราบกลิ่นนั้นก็เลยอยากจะสัมผัสกับ ขอนโลก่กเลยพากันลงมาดวงจิตไหลดวงลงมาพอมาสัมผัสกับโลกก็ไม่สามารถกลับไปสู่วิถีความเป็นอยู่ดั้งเดิมของจิตได้คือไม่สามารถล่องลอยอยู่กลางห้อง อ, อั ก, กาศได้จึงเกิดกลายเป็นมนุษย์ต้นกลับหรือมนุษย์เริ่มแรกนี่แหละคือความเป็นไปเป็นมาของมนุษย์ทีนี้เมื่อมนุษย์ต้นกลับมามาจากสภาพจิตสภาพจิตนั้นเป็นสภาพจิตที่มีปีติปีตินั้นประ ก, กอบมาจากบุญ บ, บุญนั้นแสดงว่าเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ประกอบเป็นเจตสิกประกอบจิตมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไงตัวบุญเนี่ยแล้วบุญที่สังสมให้จิตได้มาสู่สังสมอยู่ในภายในจิตเมื่อได้มาเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ต้นกับมนุษย์ที่ผุดเกิดขึ้นเองได้บุญอุสนั้นก็ยังหนุนอยู่ในจิตอยู่ไม่ได้หายไปไหน ปรากฏว่าเมื่อมนุษย์ต้นกับนั้นปราถนาอาหารอาหารก็ผุดเกิดขึ้นด้วยพลังแห่งบุญเช่นนี้ข้าวสาลีเกิดขึ้นอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นด้วยพลังแห่งบุญของมนุษย์ต้นกลับนะเมื่อข้าวสาลีมันเกิดขึ้นด้วยพลังแห่งบุญมนุษย์ก็แย่งข้าวสาลีคือไม่รู้เหตุมนุษย์ไม่รู้เหตุว่าที่ข้าวสาลีปรากฏขึ้นมามาด้วยบุญของตนเองบุญภายในจิตใจที่สะสมมามันสะสมอยู่ภายในดวงจิตมนุษย์ไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บ เมื่อเห็นข้าวสาลีพุดเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเออมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยแผ่นดินจึงพยายามเก็บรวบรวมข้าวสาลีไว้เป็นของตนเก็บไว้เป็นของตนมากเข้ามากเข้าก็เกิดความโลภบางคนที่เกียรติไปเก็บไปไปเอาขโมยเอาของคนอื่นที่เขาเก็บไว้มาเป็นของตัวเองที่เก็บไปเก็บข้าวสาลีก็ไปเก็บที่เขาเก็บมาแล้วก็ด้วยความโลภ น, นั่นเอง จึงทำให้บุญก็ลดทอนไปลดทอนไปลดทอนไปเรื่อยๆมนุษย์สืบเชื้อสายกันมาเป็นมนุษย์ต้นกับมนุษย์ที่สืบเชื้อสายต่อจากมนุษย์ต้นกับนั้นเป็นมนุษย์ที่จะต้องเกิดโดยอาศัยบิดามารดาเนี่ยเพราะนั้นความเป็นไปเป็นมาของมนุษย์นั้นเป็นอยู่ด้วยบุญหมายถึงว่าบุคคลที่จะมีมีความเป็นมนุษย์เป็นไปได้ก็ต้องอาศัยบุญเพราะถ้าไม่มีบุญพระเจ้าบอกว่า บุคคลผู้กระทําการปฏิบตัติบ้างอธินาทานบ้างการเมสุมิชฌาจานบ้างหรือว่าโคหกมุสาวะแล้วก็สุลาเมีรยัมมัชฌะประมาณธาตุฐานคือมีความประมาทในการดึงสุลาเมีรยัมทีนี้บุคคลเหล่านี้เมื่อล่าชีวิตไปแล้วก็ไปจุติในกมลสัตว์วิชันเป็นพิพีศาสุรกาย น, นี่คือเรื่องราวทางศาสนาที่พระเจ้าผู้เป็นสัพัาญุพยามสอนให้เรารู้ที่มาที่ไป ในความเป็นตัวของมนุษย์มนุษย์เป็นมนุษย์ได้และสามารถสืบเชื้อสายแห่งความป็มนุษย์สืบต่อมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะบุญกุศลที่สะสมอยู่ภายในดวงจิตดวงใจของแต่ละคนหมายถึงว่าคนทุกคนที่เป็นมนุษย์อยู่ในเวลานี้มีบุญกุศลภายในดวงจิตดวงใจในแต่ละคนที่สะสมกันมายาวนานอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่บุญอย่างเดียวบาปก็มีในวิถีชีวิตของมนุษย์จึงได้รับผลของทั้งบุญทั้งบาปในความเป็นอยู่ความเป็นไป เราจะมาโทษชีวิตของตัวเองว่าเป็นผู้ต่ำต้อยด้อยวาสนาในชีวิตไม่ได้เพราะนั่นคือวิบากกรรมอย่างหนึ่งที่ตัวเราได้ทํามาหรือเราจะมาหลมเพื่อเถือนในบุญกุศลที่พยายามอํานวยประโยชน์ในความเป็นอยู่อยู่ในฐานะที่ดีมีทรัพย์สมบัติมากตระกูลดีมีเงินทองมากเงินใช้ใชใชใจ่ายเครื่องใช้สอยอะไรก็มีเพียบพร้อมไม่ขาดตกบกพร่องสิ่งใดใเลย ละเพิดเพลินอยู่ไม่ยอมทําบุญเพิ่มใช้แต่บุญเก่าอยู่อย่างนั้นเป็นผู้ประมาทอยู่ตัวนี้ก็จะทําให้เขาไม่รู้จักสาระที่มาที่ไปแห่งความเป็นอยู่ของชีวิตบุคคลผู้มีบุญน้อยก็ตำหนิตนเองว่าตาต้อยด้อยวาสนาบุคคลที่บุญมากก็เพิดเพลินอยู่ในบุญเป็นผู้ประมาททั้งสองส่วนก็เรียกชื่อเป็นผู้ประมาทผู้เจ้าบอกว่าจะเป็นบุคคลประเภทใดก็ตามเมื่อรู้เหตุปัจจัยของชีวิตแล้ว ว่าชีวิตเป็นไปเป็นมาอย่างไรจงสร้างเหตุปัจจัยของชีวิตให้เป็นไปต่อไปในภายภาคหน้าด้วยเหตุปัจจัยที่พึงกระทํากระทําอย่างไรเรอกก็กระทาความดีตามหลักของศาสนาที่ได้สอนไว้เพราะความดีทางศาสนานั้นเป็นเรื่องของความสงบความเรียบร้อยเป็นระบบระเบียบในแห่งความความเป็นไปของชีวิตที่ถูกต้องตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นลักษณะของการรอปลโดยบันดาลเส้นส w i n เส้นไห ว, ว, ว์กาบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังวัตถุฝูกเศษ แล้วบรรดาให้ชีวิตของตัวเราเจริญขึ้นด้วยวิธีการอย่างนั้นพวกบอกว่าชีวิตเราเป็นไปตามกรรมคือการกระทําการกระทํานั่นเองเป็นเครื่องกําหนดชีวิตเราหากเราไม่เข้าใจหลักของการกระทําว่าเป็นเครื่องกําหนดชีวิตเราจะไม่รู้เลยว่าชีวิตเรานั้นจะเป็นไปด้วยผลแห่งการกระทําได้อย่างไรหากเรารู้จักว่าชีวิตเราเป็นไปตามแห่งการกระทําเราก็จะไม่เอาชีวิตของเราไปขึ้นตรงต่อสิ่งอื่นๆ เราจะมีอิสระในการกระทำในตัวเองในสิ่งที่ดีแล้วเราก็ใช้ความดีในสิ่งที่เราทํานั้นนุ่นนาชีวิตเราไปสู่ผลแห่งความดีที่เราจะได้กระทำอันนี้ก็คือคุณค่าหรือว่าสาระทางศาสนาที่พยายามจะชี้บอกให้มนุษย์ดําเนินหรือเรียกว่าเป็นแสงสว่างทางเดิน2ทางเดินให้กับชีวิตมนุษย์เพราะมนุษย์ลําทางในความเป็นอยู่แล้วไม่สามารถแยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งถูกสิ่งผิดโดยลำพังตัวเองไม่สามารถแยกแยะได้ไม่สามารถที่จะ ควบตัวเองได้ทําไปตามแรงแห่งความอยากที่มีอยู่ในใจอยากทําอะไรก็ทําอันนั้นเพราะความอยากเข้านําอยู่อันนั้นก็คือประมาทความประมาทดังนั้นเองก็คือทําให้ชีวิตของมนุษย์คนนั้นเป็นโมฆะไม่มีความหมายเพราะไม่รู้เหตุผลความเป็นอยู่และความเป็นไปของชีวิตของตนเองพู้องค์จึงบอกว่าบุคคลเมื่อไม่ประมาทแล้วก็ย่อมมีสติสติก็ย่อมะระลึกรู้ในชีวิตของตัวเองว่าชีวิตเราที่เป็นอยู่นี้ เราจะสร้างความสุขความสมบูในชีวิตได้ก็ต้องฝึกสติขึ้นมามีสติภายในตนเองหากเราขาสติก็เท่ากับว่าเราปล่อยให้ชีวิตของเราตกไปอยู่ในอารมณ์แห่งความทุกข์หรือปล่อยให้ความทุกข์ครอบงาจิตใจตัวเนี้คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝึกสติทําอย่างไรบ้างทุกทีก่ที่เราสอนตั้งแต่1เริ่มทาบุญให้ทานเป็นสติอย่างหนึ่ง 2. องเราดถึงพระรันาตนตรัยเป็นสติอย่างหนึ่งส พยายามรักษาศีลให้ได้เป็นสติอย่างหนึ่งสฝึกขิดให้ตั้งมัน่นก็เป็นสติ5เจริญปัญญาเพื่อขถอนความเห็นผิดที่เคยยึดมั่นถือมั่นภายในตัวเองว่าเราตัวเราของของเราเรื่องของเราต่า ง, างๆความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ว่าของเราความสุขที่เกิดขึ้นในภายในตัวเองก็ว่าของเราสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของของเราเมื่อตัดความยึดถือในสิ่งที่เป็นของของเราได้ความทุกข์ก็จะเบบางอยู่น้อยลง นั่นคือการฝึกสติตามหลักพศาสนาก็คือการให้ทานแล้วลึกถึงพระราตรยจิตถือพระราตรีตลอดชีวิตศีล์ทำได้ข้อใดข้อหนึ่งเริ่มต้นก่อนตลอดชีวิตก็จะเป็นสี่ดีๆหรือทำยังไม่ได้ก็สมาทานเป็นบางคราวคือว่ารักษาเป็นบางคราวอย่างเงี้ยก็จะเป็นสติไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้ประมาทจะไม่ได้สูญเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับทางศาสนา หมอสนวงทางานหนักเนาะตรวจคนไข้เยอะไม่กินกาแฟอ๋อที่กินเป็นอาหารหลักก็นี่แหละประสาทสำคัญในทางศาสนาที่เราควรจะได้รู้ได้ทำความเข้าใจคือเป็นผู้ไม่ประมาะก็เนื่องในวันพระก็จะได้แสดงทรรไว้แค่นี้เพอจะได้ไปอุโบสถที่ดอยเวียงเกี่ยงอ๋อ ใช้เวลาอธิบายทาแต่เพ so, uh, ียงเท่านี้เอวังพ <ema> huh? ้อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบรรดาลบุญกุศลที่เกิดจากการถวายทานบรรดาบุญกุศลที่เกิดจากการรับฟังธรรมเทศนาบุญกุศลที่เกิดจากการแสดงธรรมของอัตมาขอบุญทั้งสาประการนี้จงเป็นมหาันเจเดชานุภาพอํานวยอวยพรตอบสนองให้ยาดเชิงทุกท่าน จงเป็นผู้ประสบความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุมีอายุยืนนานเจริญด้วยวันนามีปิุภัณฑ์ของใสเจริญด้วยสุขภามีความสุขกายสบายใจเจริญด้วยภาระมีกำลังวังชาสมบูรณ์แข็งแรงและขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีฤทธิ์ดีลุ่มภาพมาลายสิ่งชั่วรายทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากชีวิตของพวกเราจงบันดาลสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตน้นนำจิตใจของพวกเราให้เป็นผู้ก้าวล่วงภัยทั้ปวงก้าวล่วงความเดือดร้อนทั้งปวงก้าวล่วงอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเข้าถึงความเจริญ ในปัจจุบันการและเพื่องหน้าเกิน